หลวงปู่เสาสอนภาวนาง่ายๆในสมัยก่อนเนี่ยอัตมาเคยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาสอนกรรมฐานนั้นท่านสอนง่ายๆถ้าหากมีผู้ใดมาขอเรียนกรรมฐานจากท่านถามว่าท่านอาจารย์อยากจะภาวนาจะทำยังไงท่านอาจารย์เสาจะบอกว่า ภาวนาพุโทโธสิเมื่อภาวนาพุโทโธแล้วจะเป็นยังไงท่านจะบอกว่าอย่าถามนี่ท่านอาจารย์เสาบอกอย่างนี้แล้วท่านจะย้ำให้ภาวนาหนักๆและทำให้มากๆทำให้จริงจังและจะไม่ยอมอธิบายเหตุผลใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าท่านผู้ใดตั้งใจทำจริงภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจริงๆ เมื่อจิตสงบลงไปแล้วเกิดสว่างขึ้นหรือสามารถรู้เห็นอะไรขึ้นมาท่านก็มักจะบอกว่าให้ทำไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าถูกต้องแล้วท่านบอกให้ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านผู้ใดมาเล่าให้ท่านฟังว่าเมื่อภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปแล้วมีนิมิตเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเทวดาท่านจะบอกว่า นั่นเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปแล้วจิตส่งออกไปข้างนอกในเมื่อจิตส่งออกไปข้างนอกอุปาทานมันไปยึดถืออยู่ที่ไหนอย่างไรนึกถึงคนก็เกิดภาพคนขึ้นมานึกถึงผีก็เกิดภาพผีขึ้นมานึกถึงเทวดาก็เกิดภาพเทวดาขึ้นมาอันนั้นเป็นวิถีจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอก ท่านบอกว่าอย่าไปตื่นหรือไปยินดียินร้ายกับนิมิต ท, ที่เห็นเหล่านั้นเพราะนิมิต ท, ที่เห็นเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายๆกับมองเห็นด้วยตาบางทีถ้าหากว่าจิตเผลอสติไปหลงยึดกับนิมิตภาพอันนั้นแล้วจิตวิ่งตามนิมิตภาพอันนั้นไปสมาธิก็จะถอนจากฐานที่อยู่ในตัวของตัวเองและก็วิ่งตามภาพนิมิตไปหลงไปเที่ยวชมนรกชมสวรรค์ ชมสถานที่ต่างๆซึ่งมีลักษณะเปรียบเหมือนเงาท่านอาจารย์เสาท่านบอกว่าไม่ถูกให้พยายามกำหนดจิตเฉยอยู่อย่าไปยึดอย่าไปยินดียินร้ายกับนิมิต ท, ที่เห็นนั้นให้พยายามน้อมจิตเข้ามาข้างในโดยอาศัยลมหายใจเป็นสื่อทำกระแสะความรู้สึกในทางจิตให้เดินเข้ามาในตัว แล้วก็กำหนดจดจ้องดูอยู่ที่จิตและทำความรู้สึกว่าตัวของเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เที่ยวเร่ร่อนไปกับผีสางเทวดาที่ไหนนี่ท่านอาจารย์เสาท่านสอนอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของการภาวนาพุทโธ